ใช่าก่อนไม่มีไรถาก็จับไม่น่ะไหนเราพูดหวงลูกหวงเมียก็ใจในทำแต่เองเพราะว่ามันไอตรงนี้เร า, เราจําได้นะเวลาเคยบอกเรื่องหวงลูกหวงเมียจนไม่ห่วงใจตัวเองเอาใจเอาใจตัวเองอะกลายว่าจาใจไปอยู่กับลูกกับเมียฮะคือเวลาจะไปห่วงเข้าไปอะไรเขาก็เป็นจริงๆกันจังๆอะแล้วก็เวลาเราเราเข้าไปล้ำเตะเก๊กไปอยู่ไปอะไรจริงเนี่ยเราก็หลุดจริงๆอะ เข้าใจทำทั้งหมดแต่ทําะไเวลาไปเป็นไปําไทยเก้งไปเช่นจีนประจวบก็หลุดจริงๆอยู่แล้วกับใจก็เข้าไปห่วงลูกโองเมียจริงๆเวลาเราอยู่กับลูกกับเมียจริงเราก็ห่วงใยายเขาจริงๆคือมันไม่ได้ใจเราเนี่ยมันเป็นใจซะก่อนแล้วคนอื่นเราก็เหมือนกับต้องตายก็สอนไปอ่ะแต่ใจเราก็เป็นใจของเราไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยแต่เมืเราช่วยหมดจี้หมดแต่ใจเราก็เป็นใจเรา แต่นี่มันไม่ใช่เป็นใจเราซะแล้วมันมันใจเราเนี่ยไปอยู่กับลูกอยู่กับเนี่ยเห็นแต่ใจเราเนี่ยไปโอบมาสองข้างเลยมาปกป้องเหมือนแม่ไก่อ่ะกางปีกปกป้องลูกอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะมันไม่ได้แม่ไก่เนี่ยเหมือนกับแม่ไก่เนี่ยมันไม่ยอมมันไม่หวงตัวเองเลยมันกางปีกปกป้องลูกมีอยู่ตลอดเนี้ยมันพร้อมที่ตัวเองมันตายเราก็เห็นที่เขาเขาแฉเข้ามาแม่ไก่เนี่ยมันมันปกป้องลูกมันอ่ะมันกางปีกปกป้องลูกมันงูจะมากิน มากินในลูกมันเนี่ยแล้วมันก็มันก็กางปีกปกป้องลูกมันแล้วมันสู้กับงูจนกระทั่งตัวมันตายแต่ลูกมันรอดลอลูกมันโผล่หัวรอดปีกมาเป็นแถวเนี่ยแต่ตัวแม่ไก่ตายโดนงูกัดตายแต่ตัวลูกมันรอดรอดปีกออกมาเนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยตัแต่อยู่เราเห็นตั้งแต่ปราทำสมืุนไรก็เคยรู้สึกจําได้เราเคยบอกแบบนี้ใช่หมใช่เราก็เห็นเราก็เห็นอยเองคืออาจารย์เป็นเห็นนะฮะแต่ว่ามันทําไมมัน วางไม่ลงลับทีก็เห็นนะฮะไม่ใช่ไม่เห็นเราเห็นว่าถ้าเนี่ยถ้ามันกลับมารวมถุนที่ใจเนี่ยมันก็มันก็นกทุกอย่างก็เป็นอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแต่ใจพ้นทุกข์คือมันรวมถุนที่ใจนี่เรมถุนที่ใจเราเนี่ยคือไม่มีเราไม่ไปตามกิริยาการของใจอันเนี้คือเราไปตามกิริยาการของใจแต่ใจเนี่ยไม่มีกิริยาการใจหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยไม่มีกิริยาการไม่มีที่มาที่ไปไม่มีใคร ไม่มีใครเข้าไปอยู่ในใจได้ไม่มีลูกไม่มีเมียมาอยู่ในใจเราได้ไม่มีพวกที่รำแท้เกะกับเราที่เราไปสอนเข้าไปอยู่ในใจได้ไม่มีลูกศิษย์มาอยู่ในใจไม่มีคนอื่นอยู่ในใจได้เพราะใจเนี่ยหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยมันเป็นของไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีตุ้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีห้องไม่มีอะไรที่บรรจุอะไรได้แม้แต่ปรมาลูเดียวมันไม่มีอะไรเลยที่จะอยู่ในนั้นได้เพราะนั้นมันต้องเข้าถึงใจที่เนี่ยที่ไม่เป็นไปตามอาการแต่เราเนี่ยไปเป็นอาการตามใจ ไปเป็นตัดตัวความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกรักความรู้สึกห่วงใยความรู้สึกัวพันปกป้องแต่เนี่ยเราเป็นไปตามอาการนะอาการนี้ปรุงแต่งได้แต่ใจปรุงแต่งไม่ได้แต่อาการไมอยากจะปรุงแต่งไงถ้าเราเป็นใจเราก็ได้แต่รู้รู้อ่ามีอาการปรุงแต่งแบบนั้นแต่ก็มีป็นหาต่อใจมีเมียก็มีลูกก็มีมีไปเราก็มีอยู่มันมีมาแล้วนี่แต่ใจเราเนี่ยไม่เป็นไปตามอาการมันก็เลยไม่มีไม่มีใครไ ไม่มีอาการที่มันตึงสายใหญ่เป็นเชื่อมเชื่อบไปลากต่อได้ผ ม, มเป็นใจที่ว่างเปล่าเป็นใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแล้วถึงเวลาละ่ะทุกคนก็หายตัวไปเพราะอยากให้กลับเข้ามาหาจิตเดิมแท้ๆหรือว่าใจเป็นจิตดั้งเดิมที่มันแบบมันมันมีอาการปรุงแต่งไปไม่ได้มันคิดตึงต o อ g ไปไม่ได้มันมีแต่อาการที่ปรากฏแต่ใจไม่ปรากฏอาการจิตมันก็มันก็ความรักความห่วงห่วงใหลูกเมียคนนี้ ค, น, คนนี้ลูกหลานแม้แต่ลูกศิษ มันเป็นอาการที่ปรุงแต่งแต่มันเข้าถึงใจแล้วใจมันก็ได้แต่รู้จิตมันก็ได้แต่สอนไปจิตปรุงแต่งก็ได้แต่สอนสอนไปพูดก็ไปดูก็ไปช่วยเล้วก็ไปแต่มันเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งมันอยู่กับละอันกันลูกตาก็ต้องใช้สองส่วนเนี่ยส่วนจิตที่ปรุงแต่งช่วยเหลือลูกจิตที่ตรวจสอบที่เช็คที่ตรวจสอบเนี่ยก็ใช้จิตที่ส่วนที่ปรุงแต่งตรวจใจมันใช้ไม่ได้มันมันไม่มีอะไรใจมันว่างๆอยู่อย่างเดียวมันมีอะไร แต่มันใช้จิตส่วนที่ปรุงแต่งมันเลยรู้มันเลยช่วยลงสุดได้อะไรได้แต่ไม่แต่ใจอ่ะมันมีหน้าที่เดียวคือไม่ยึดมันมีหน้าที่เดียวนะคือมันยิดอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้มันไอ้ใจตัวตนเนี้ยใจหรือจิตดังเดิมแต่แท้เนี่ยมันมันไม่มีหน้ามันไม่มีหน้าที่อะไรเลยมันน่คือไม่มีหน้าที่อะไรจริงๆมันไม่ไปทําอะไรจรียกว่ามันมีหน้าที่ก็ได้ไม่ได้เพราะว่าเรียกว่าใจมันมีหน้าที่ก็ไม่ได้คือมันไม่มีหน้าที่อะไรเลยเพราะว่าถ้ามันมีหน้าที่ปุ๊บมันการปรุงแต่งกันทีเลยมันเลไม่มีหน้าที่อะไรเเลยมันนก็็ป ที่หลวงปู่ดูลใจคำว่าเป่าๆบริสุทธิ์ก็มันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วเขอไงปล่าเป่าบริสุทธิ์เป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันว่างเบืองว่างเหมือนดังไพศาลเหมือนดังจักรวาลไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกายรูปการใดๆปรุงแต่งไม่ได้คิดนั่นคือต้องปรุงแต่งอะไรไม่ได้เลยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ส่วนจิตที่ปรุงแต่งก็ใช้ไปแต่ใจที่ใจหรือิิตดั้งเดิมแท้เนี่ยมันก็ไม่มันมีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเน่ย ความจริงธรรมชาติสองอย่างนี้มันมีมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเนี่ยเราใช้ส่วนที่จิตปรุงแต่งเป็นตัวทางานแต่ใจยังไม่มีหน้าที่อะไรเลยคือมันจะไม่บอกหน้าที่มันไม่ยึดอะไรมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ยึดอะไรในตัวของมันเองไม่ใช่ว่ามันได้มีหน้าที่ไม่ยึดไม่ใช่เราไปฝุกทําให้พยายามทำใจเราให้ไม่ยึดเราเพียงจะเข้าไปถึงความจริงว่าใจเนี่ยมันยึดอะไรไม่ได้ใจหรือจิตตั้งเดิมตัวแท้มันยึดอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีหน้าที่อะไรถ้ามันเป็นหน้าที่ปุ๊บมันกลายปรุงแต่งทันทีแล้วเราพยายามไปช เราปฏิบัติผิดมากนะพยายามไปช่วยใจให้มันยุดคือใจมันคิดอะไรไม่ได้เราหายโง่แค่นั้นแน่คือหายเอาวิชานี่เราพยายามไปไปช่วยใจให้มันไปจับสภาวะโน่นไปจับสภาวะนี้ให้มันต้องว่างให้มันนิ่งให้มันเฉยๆให้มันเป็นอย่างนี้พอใจพูดได้นะบอกว่ามึงอย่ามาช่วยกูได้ไหมมึงอะตัวยุ่งที่สุดเลยตัวจิตปรุงแต่งเนี่ย มึงจะช่วยกูอย่างเดียวเลยจะช่วยกูว่างมันช่วยกูเบาช่วยกูสบายช่วยกูสงบช่วยกูอย่างเดียวเลยมึงกเลิกยุ่งกับกูแค่นันะ้นแหะกูจบเลยกูก็คือกูนะั่นแหละกูกูเดียวพูก็ไป่ได้บ่นก็ไปได้เกียา์มีกยาการอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ไม่มีอะไรเลยทั้องอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยเอ่นแะแต่มันรู้ไปหมดไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้ไปหมด รู้หมดไรรู้แหละมึงอย่ามายุ่งกับกูได้ยุ่งที่สุดเลยตัวมึงเนี่ยพยายามจะช่วยกูอยู่นคือไอ้จิตปรุงแต่งเนี่ยคือที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเราจะไปช่วยจำช่วยช่วยใจให้มันเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ให้มันว่างเปล่าอะไรมันบอกกูน่ว่างเปล่ามาตลอดเลยฮะตั้งแต่ตั้งแต่ทางเดิมมึงเนี่ยมาช่วยทำให้กูเนี่ยปุม๊มันมั่วไปหมดเลยยุ่งไปหมดสกรปรกไปหมดเนี่ยมึงไม่มายุ่งกูก็สบายแฮอืทีนี้ก็คือแล้วก็ มันนั่งคำที่ว่าสมมุติมันก็เป็นสมมุติของมันออืสมมุติก็ส่วนสมมุติวิมุตติคือเจตเมตใจในโลกแท้ก็เป็นวิมุตติของมันอยู่อย่างนั้นน่ะสมมุติมันก็ต้องมีแบบสมมติของมันใช่ส่วนวิมุตติเรามาใช้ไม่ได้นะถ้าเราเราเป็นแต่วิมุตติอเลยพูดไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้มันต้องรอตายกว่านั้นนั่นแะแต่แม้แต่ตายแล้วมันยังสมมุติมาได้เลยนะเพราะอะไรอุตตฌาภาลานทั้งหลายหายหมดได้หมดแล้วกลับไปเป็นวิมุตติหายปล่าหายไปหมดเลยแต่สมมุติเจอกันได้ แต่ไม่ใช่ว่ามีเมืองมีมีตัวปมีตัวรูปร่างอะไรมันไปเป็นวิมุตแล้วไงแต่ในในความวิมุตนะมันรู้อยู่นะมันรู้อยู่ไอ้รู้นี่เนี่ยมันเลยมันเลยวิมุตมาได้มันรู้อยู่เดียววะนี่เป็นวิมุตมันรู้แบบมัมันมันตัวมันอะคือรู้แบบตัวมันมันเป็นความว่างเปล่าเป็นตัวมันไม่มีอะไรตัวมันยึดอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ส่วนที่ปรุงแต่งนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่ตัวจิตตั้งเดิมแต่หรือใจตั้งเดิมหรืชาคือไม่ใช่ตัวมันอะมันรู้อยู่เนี้ยไอ้ความรู้อย่างเงี้ยมันมีอยู่มันดััับไไปปปปแแลล้้วววววมมมมมนนนกกาาาาาาายยยเ็คค่่่่งงออจรตีูู ไอ้รู้เนี่ยมันเลยวิมุติมาได้มันเลยสมมุติมาได้นว่าไอ้สมนิคนนี้ค น, คนสมควรช่วยไว้สมควรช่วยมันถึงเวลาแล้วผู้ใดพบธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดพบธรรมผู้นั้นพบเราตถาคตที่หลวงปู่หลวงตามหาบัวเขียนไว้นะหลวงปู่ม่านบรรล้อลหรหันต์เสร็จเออนึ้อถึงพระพุทธเจ้ากับพาาระอรหันตสาวกอยู่กันยังไงรึมาปรากฏหมดเลยเอ้าหายไปแล้วทําไมมาได้อ่ะก็ใครเราไปสมมุติไปหาเราะในวิมุตเนี่ยเจอกันได้เหรอ ในใจเราเนี่ยมันมีสองอย่างอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราตายแล้วก็เป็นนะคือมันเป็นวิมุตต์กับสมมุติอยู่แล้วแต่เราเนี่เข้าใจผิดเราพยายามเอาตัวไอ้สมมติตัวปรุงแต่งนะไปช่วยตัววิมุตให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันพบกับความสุขให้มันพบกับนิพพานแต่ตัวมันมึงจะมายุ่กับกูแค่นั้นแน่กูก็ตบายแล้วพยายามจะช่วยมันอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ทำอะไรช่วยไงทำามเราไม่ยึดลูกไม่ยึดเมียเอายึดมันเป็นส่วนวิมุตมันเจอสมมติเออไม่ลูกไม่เมีย มีผัว ก, กันมีครอบครัวมี ม, มีมีเจ้านายมีลูกน้องมีเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์มันก็ต้องช่วยกันเอาตัวเอาตัวสมมุติมาช่วยแต่เราต้องเป็นตัวใจครัเป็นตัวใจดั้งเดิมแท้ๆคือใจที่เป็นวิมุตติแต่ไอตัวทํางานนะั่นคือตัวสมมติตัวคุ้มครองดูแลรักษากันอยู่ด้วยกันคอยดูดูแลรักษาการชีวิตความเปนอยู่เธอไปอย่งไรมันเอาตัวสมมติมาใช้มันยังไม่ตายมันต้องเอาสมมติมาใชา้ขนาดตายแล้วเข้าไปถึงวิมุตติแล้วมันยังเอาสมมติมาใช้ได้เลยลนั่นแี่ย ก่อนตายมันก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะว่ามันเป็นวิมุตต์มันไม่ยึดอะไรพออตายไปแล้วมันก็เป็นวิมุตต์มันก็ไม่ยึดอะไรมันไม่ทุกข์ตลอดกาลไอ้ตัวไม่ทุกข์ตลอดกาลมันเป็นอมตะไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายไม่มีใครทําลายมันได้แม้แต่นิพพานแต่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมันใช้สมมติจ่อยๆจ่อยๆแต่ตายแล้วมันเหลือแต่วิมุตต์แต่จะใช้มันต้องมา มันต้องเป็นนิมมูตมาแต่มันไม่สามารถที่จะมาติดต่อสื่ อ, าอ ächlich, าสารเป็นกายกายโปร่งแสงกายหยาบเป็นกายที่เป็นเทพเจวดาไปเกิดเป็นจริงๆจังๆได้เพียงแค่มาแค่แว้บแๆเป็นเพียงแค่เหมือนคล้ายๆคล้ายไงที่เข ย, ย, ยิงแสงเลเซอร์ไปรูปนั้นรูปนี้ก็ไปนในบนท้องฟ้าที่สมัยเนี้ยยิงเป็นแสงเลเซอร์เป็นรูปร่างคนเลยได้ใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นเนี่แต่มันเนี่ยไม่ถึงขนาดมาเป็นแสงเลเซอร์มาเป็นพลังงานได้เพราะแสงเลเซอร์พลังงานได้มันเอาตาเนื้อมองเห็นไง แต่เนี่ยมันคนมีตาเนื้อคนมองไม่เห็นหรอกมันต้องคนที่เป็นธรรมเหมือนกันถึงจะมองเห็นท่านได้พบท่านได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นพบเห็นเราตถาคตผู้ใดพบธรรมผู้นั้นพบผู้นั้นพบเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคนอืมอย่างเราเข้าใจผิดเราคิดว่ามันมีส่วนที่ปรุงแต่งอย่างเดียวแล้วเราก็จะดับความปรุงแต่งให้ความปรุงแต่งเนี่ยไม่ไปยึดอะไรไม่ใช่ปรุงแต่งมันก็ต้องช่วยเหลือคนทุ้คนนี้เราเราไม่อยู่ก็ต้องช่วยแต่ใจเนี่ย เ, เป็นวิมุติ แต่ เ, าเ้าก็ใจว่าเราพยายามจะไปทำจิตที่ปรุงแต่งให้มันเนี่ยไม่ไปยุง่งวุ่นวายกับอะไรเราเราสับสนใช่ไหมกใจนี่ก็เรียกเอาวิชาอ่ไม่มีอะไรหรอกธรรมชาติก็ง่ายๆแค่นี้แนะเออมันก็เป็นสมมติมันก็เป็นมนมมันง่ายๆอย่างนี้แนะ่ไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยโ อ, ทำ อ, ไไอทำอะไรไม่ได้ับมนอะไรไม่ได้อะ เราก็ใช้สมมติไปใช้สมมติไปยุทําอะไรไม่ได uh ้ใช้สมมติไปของใครก่อนอ๋อก็หลังจากครั้งสุดท้ายก็เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็เข้าใจแล้วก็สบายขึ้นนะคะเขามันมันมันคิดได้เองมากขึ้นเหมือนรับเข้าเข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่สงสัยอะไรอ่ะ ดีแล้วเปลี่ยนตัวเองบ่อยขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็นี่อานิสง์เลยนะเนี่ยอานิสงแบบการช่วยทำทักช่วยทำหนังสือช่วยทำโน่นทํานี่ทำก็ใจเองทาก็เข้าใจไป็นเช่งที่สุดของมันความเข้าใจก็คือว่ามันกรแบบมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆนิดเขาจะเท่าไหร่มันก็ไปวันเท่านั้นแหละเขาจเท่าไหร่ก็ไปวันเท่านั้นแหละทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ก็อ่านไปเข้าใจไปก็ทําไปเรื่อยๆทำไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราชัดเจนมากขึ้น แล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ความรู้ความเห็นก็เข้าใจมันไม่มีอะไรก็เต็มร่องมันเองว่าไงประกาเอาะก็เอ่อก็รู้ละปวางไปเรื่อยๆครับความความคิดความเห็นมันก็กว้างมากขึ้นเรื่อยๆก็ธรรมะที่หลวงตาให้แต่ละวันมันก็เก็บเกี่ยวพอกพูนเพื่อที่จะอ่รู้ละปวางไอ้ตัวตนของเราเนี่ยแหละครับ แล้วก็ความเห็นหรือว่าการสังเกตคนดูโทรทัศน์มันก็มีความละเอียดมากขึ้นที่มากขึ้นนะครับต่อนเนื่องกันเป็นเป็นเป็ น, ปนทอดๆไปก็ดีนะก็สองคู่เนี่ยการเห็นรู้เห็นชัดจริงในชัดจริงแต่มันยังไม่ไม่ไม่ไมพ้นทุกข์กับตรงนี้สองคู่เลยเหมือนกันเดะเลย คือมรู้เห็นชัดจริงมากเลยชัดเจ๋วจนใกล้เคียงตอนที่จะเดินการเดินทางจนถึงปายไปลายทางแต่ใจทั้งคู่มันไม่พร้อมที่จะวางตอนนี้คือมันไม่ใคร่ ไ, ไงมันมันจะเป็นอะไรอวบ น, นั้นถ้าใจอะไรอวรเนี่ยอะไรอวบนี่สักการะกันมันจะอะไรอวรตัวเองด้วยถึงตอนจะตายลําบากมันจะห่วงตัวเองใช่ไหมมันอะไรอวบนี่สักการะกัน มันยังไม่ขาดจริงคำว่าไม่ได้ว่าอะไรวอนแบบบกบุญในการมารตานาไม่ใช่แต่ อ, อะไรวอนในความห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันเป็นเพียงความห่วงใยแล้วก็เป็นเพื่อที่ว่ายังไม่พร้อมที่จะจากโลกมันเหมือนกับเราคิดว่าเราไปอ่านมากหรือเราไปรู้สึกว่าไปอ่านเรามากว่าถ้าเราสิ้นโลกแล้วเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เราต้องจากกันสิ้โลกใจสิ้นโลกแล้วจะต้องจากกันตรเนี้มันก็เลยมาปิดกัน มันก็เลยไม่สามารถค้าได้ขา mm ้ hmm. ขาจนถึงท mm ี่สุดได้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ข้ามเด mm ี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าข้ามในอนาคตอะไรใจคนทุกเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้วางหมดทิ้งรีก็คนทุกเดี๋ยวนี้แต่ใจที่ยังอะไรอวบน่ะมันข้ามไม่ได้ทำให้ข้ามไม่ได้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันก็คิดว่าเดี๋ยวเราเข้าใจมากแล้วเราก็ใจมากแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าใจเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะพ้นทุกเอาไปจ่ามันเข้าใจผิดเราไป มันไปขึ้นตรงสูงพอเราเผยก็ไหลไหลไหลไหลไหลขึ้นสรงสูงพอเผยก็ไหลไหลไหลไหเรื่องมันต่าก็หมากันเองตัวอะไรวอน่ะตัวเยื่อใหญ่เชื่อบัวแล้วเยื่อใหญ่รอะไวมีใหญ่ใหญ่มีใหญ่หักบัวแล้วยังเหลือใหญ่หักบัวแล้วยังเหลือใหญ่มันไม่ได้เหมือนกับหักการบัวแห้งหักการบัวแห้งมันหักโป๊ะไปเลยปัดใจไปเลยมันไม่มีใหญ่แล้วอย่างนี้ต้องทํำยังไงบ้างครับก็คือว่านอกจากถอนอธิษฐานแล้วก็สังเกต ไอ้ความเอาลายเอาวรที่มันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาเรื่อยๆเท่านั้นเองใช่ไหมครับครับรู้เท่าทันรู้เท่าทันก็เหมือนกับที่มันส่งออกไปเรื่องอื่นครื่องก็ต้องรู้เท่าทันนั่นแหละรู้เท่าทันแล้วก็ถอนในที่ฐานได้เพราะว่าปกติทัวอย่างหนึ่งคือใจมันคือเพื่อให้ใจมันจบใจมันจบลงในปัจจุบันใจมันในจบลงในปัจจุบันมันไม่ได้ใจมันไม่คิดจะไปทําไปทําอะไรอีกเพื่ออะไรอีก แต่มันจบลงในปัจจุบันมันไม่คิดจะไปไหนและมันไม่คิดจะไปทำอะไรแต่มันจบลงเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้เลยมันไม่รู้จะไปทําอะไรและมันก็ไม่รู้จะไปไหนและไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรแต่มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วมันจะทําอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วจะไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนแล้วจะไปเอาอะไรก็ไม่เอาอะไรแล้วเป็นยังไงใจมันก็สงบล้วาเปล่าร่มเย็นอย่างนั้นมันอยู่อย่างนั้นแหละ มันก็สงบบางป่าและร่มเย็นมันเหมือนมันมีใจที่ไม่กระดิกไม่กระดิกกระเดี้ยวไม่กระดุกระดิกเลยเพราะมันไอตัวเนี้ยมันไม่มีตัวไปตัวใจไปเอาอะไรไม่กระดุกระดิกไม่ไม่มีใจไปทําอะไรเลยตัวเนี้ยแต่ที่ที่ใช้พูดสอนเนี้ยมันใช้ส่วนที่เป็นขันห้าแต่ตัวใจมันไม่กระดุกระดิกกระดุกดิกกระดุกอะไรเลยอ่ะมันมีแต่ความบางป่าสงบบางป่าร่มเย็นเป็นแล้วมันไม่ไม่ไม่ได้ไปเสพ มันไม่มีตัวที่ไปเสพสงบบ้างเปล่าอยู่เย็นเป็นสุขไอ้ตัวนั้นแห่ะสงบบ้างเปล่าอยู่เย็นสุขมันเป็นตัวใจซะเลยมันไม่ได้ว่าเอาใจไปเสพสิ่งนั้นมันเป็นใจซะเลยที่สงบบ้างเปล่าอยู่เย็นเป็นสุขมันเป็นใจไปเลยเออมันเป็นตัวมันเองเลยมันไม่มีตัวมันเองที่จะไปไหนแล้วที่ไปเอาอะไรอีกแล้วมันไม่มีตัวใจที่ว่าผมจะต้องทำอะไรให้ใจผมมันขาดจากกันคือใจมันไม่มีอะไรมันไม่ต้องไปทำอะไรใจมันขาดจากกันเพียงแต่ว่าให้เราเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่ง มไม่หรอกเดี๋ยวผมจะต้องพยายามอธิษฐานให้ใจผมไม่ปรุงแต่งแต่ไม่ใช่อันนั้นอ่ะคือใจมันไม่ปรุงแต่งไปแล้วเราไม่ต้องไปช่วยใจเราช่วยไม่ได้ถ้าเราไปช่วยมันจะมีตัวเราเขาไปยุ่งกับใจเออไอ้ใจที่พรุงแต่งไอ้จิตที่ปรุงแต่งก็อย่ายไปยุ่งกับมันก็ปล่อยปรุงแต่งไปแต่ใจก็กลายเป็นใจที่สงบแล้ ว, ว่างเปล่าที่ไม่ปรุงแต่งนี้แต่ความสงบลมเย็นความจริงมันจบที่ใจมันจบที่ใจในปัจจุบัน ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่รักษาปัจจุบั น, นตัวที่พยายามจ ะ, จะปรุงแต่งให้รักษาปัจจุบันไว้ไม่เป็นตัวปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งรักษาปัจจุบันไม่ได้แยกระหว่างใจซึ่งเป็นจิตเดิมแท้กับจิตที่ปรุงแต่งซึ่งเป็นสังขารปรุงแต่งแยกให้ขาดเท่านั้นเนี่ย ชีวิตใช้แต่ส่วนที่เป็นสมมุติ์ส่วนที่เป็นจิตปรุงแต่งแต่ใจที่ไม่ปรุงแต่งมันมันไปนใช้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้มันตราบที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะเอาใจไปใช้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้มันเพราะว่าชีวิตมันใช้ส่วนที่เป็นขันห้าอยู่ยังไม่ตายมันความปรุงแต่งก็ยังมีอยู่เพราะขันห้ามันยังไม่ตา ย, าาตายแต่เบื้องหวังของความปรุงแต่งไม่มีใครรองรับไม่มีใครเสวยไม่มีใครจิตถือความปรุงแต่งนั้น